บทที่11อโดยอากาศให้ผลกรรมมีสี่อย่างคือครุกรรมกรรมหนักอสัณกรรมกรรมที่ทำให้ระลึกได้ในขณะใกล้เสียชีวิตอาจินกรรมกรรมที่ทำเสมอและกะตัตากรรมกรรมสามัญทั่วไปที่นอกจากกรรมสามอย่างแรกอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ดังสดับมาว่าในพบก่อนพระราชาได้สวมรองเท้าเดินไปที่ลานพระเจดีและใช้เท้าที่มิได้ล้างเหยียบเสือ่อหยาบที่ปูลาดไว้เพื่อประโยชน์แก่การนั่งข้อนี้เป็นผลของกรรมนั้นแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูนี้เข้าเฝ้าพระตถาคตแล้วถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ดังนั้นพระองค์จะบังเกิดในโลหะกุมพีนรกตกอยู่ในเบื้องต่ำสามหมื่นปีถึงพื้นเบื้องล่างแล้วผุดขึ้นเบื้องบนสามหมื่นปีถึงพื้นเบื้องบนอีกจึงจกพ้นได้เหมือนใครใคฆ่าคนแล้วพึงพ้นโทษได้ด้วยทันท ก, กรรมเพียงดอกไม้กรรมมือหนึ่งฉะนั้น เพราะพระศาสนาของเรามีคุณใหญ่หลวงได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำดังกล่าวนี้อีกทีเดียวแต่ไม่ได้ยกขึ้นไว้ในบาลีเมื่อไม่มีคารุ ก, กรรมนั้นในบรรดากรรมไกลและกรรมใกล้กรรมใดอยู่ใกล้คือถูกระลึกถึงในเวลาใกล้าตายกรรมนั้นนั่นแหละย่อมให้ผลก่อน กล่าวโดยพิสดารว่าโดยสุดตันตเทศนากรรมสิบอประเภทได้รับการจําแนกไว้กรรมเหล่านี้เป็นชไหนคือทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในภพนี้อุปปัชชเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในภพที่สองถัดจากภพนี้อปปราปริยะเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปกรรมใดเป็นกรรมหนักกรรมใดเกิดขึ้นบ่อยกรรมใดอยู่ใกล้เวลาตายกรรมทั้งสามอย่างนั้นก็หรือว่ากตัตกกรรมชนกกรรมกรรมให้ผลใหม่อุปธรรมภพกรรมกรรมอุปธรรมอุ ป, ปีละกะกรรมกรรมบีบคั้นและอุปฆาตกรรม กรรมตัดรอนยังมีกรรมที่ให้ผลตามลำดับอีกสีอย่างคือกรรมใดเป็นกรรมหนักกรรมใดเกิดขึ้นก่อนกรรมใดอยู่ใกล้เวลาตายกรรมทั้งสามอย่างนั้นก็หรือว่ากตัตากรรมในบรรดากรรมเหล่านั้นครุกรรมย่อมให้ผลก่อนกรรมทุกอย่างจะเห็นได้ว่ากรรมนั้นได้ชื่อว่าครุกรรม เมื่อไม่มีครุกรรมกรรมที่ทำไว้บ่อยย่อมให้ผลเมื่อไม่มีกรรมที่ทำไว้บ่อยกรรมใกล้ย่อมให้ผลส่วนพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระสุนัขขตะนั้นไม่มีอุปนิสัยที่ผโสธาตจึงไม่ได้บอกบริกรรมโดยแท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่บอกบริกรรมแก่ผู้ที่ปราศจากอุปนิสัยอันหนึ่งในอดีตชาติพระสุนัขขดตะนั้นได้ทำร้ายพิษุทรงศีล ร, รูปหนึ่งที่ใบหูแล้วทำให้หนวกดังนั้นแม้ท่านจะทำบริกรรมก็ไม่สมควรจะบรรลุทิพโสดพระอัฏฐกะถาจาร หมายเอาข้อความนั้นจึงกล่าวว่าอุปนิสโยนัตถิติยัตตวาปริกรรมมางนะกะเทสิทรงทราบว่าพระสุนัขตตะนั้นไม่มีอุปนิสัยแห่งทิพโสธาติจึงไม่ได้บอกบริกรรมโพชฌงเหล่านี้เริ่มเกิดตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่สี่ และมีกำลังแก่กล้าตั้งแต่วิปัสนาญาณที่ห้าเป็นต้นไปมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีอัตถกถาของทีฆานิกายและมัชชิมะนิกายว่าอันหนึ่งในเรื่องนี้โยคาวจรย่อมอย่างรู้ตั้งแต่เริ่มปารพวิปัสนาจึงชื่อว่าสัมโพธิ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 เมื่อไม่มีกรรมใกล้นั้นกรรมที่บุคคลกระทำไว้ในชาติก่อนที่กล่าวไว้ว่าก็หรือว่ากระตัตากรรมย่อมให้ผล